ันนี้จะเล่านิทานจีนให้ฟังสักสองสาเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องแก้วเดร์ชานครับที่พระราชวังจีนชื่อพระราชวังถังิลี้ยวล้อมไปด้วยกำแพงหนาหลายชั้นหน้ากำแพงก็มีคลองน้ำกัน้นล้อมตลอดแนวมีทหารยามรักษาการยืนตามป้อมประตูละสองคนประตูหลวงมีใน กูจีแล้วก็นายเจียไห่คอยรักษาการทั้งสองคนที่ชอบกินเหล้าตั้งวงกินเหล้ากันหลังเลิกงานเป็นประจำวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองทั้งนายกูจีนายเจียไห่เนี่ยยืนรักษาอยู่ที่ประตูหลวงคนละฝั่งทางก็มีตะขวดนมคลานอุ้ยอ้ายผ่านหน้าประตูออกมาพอดีนายเจียไห่มองเห็นก่อน ก็ร้องมาด้วยความตื่นเต้นอ่สาสวรรค์โปรดแล้วในกูจีได้ยินอย่างนั้นก็พลอยตื่นเต้นไปด้วยโ อ, อ้จริงๆด้วยเดี๋ยวเด็กคนเนี้เมากันให้เต็มที่เลยได้กลับแกลมแล้วรีบจับยัดใส่กระสอบเร็วเข้าไอ้กูจีเดี๋ยวมีคนมาเจอเขาเขา อ, อดกันพอดีเดียวได้เลยสหายเออเดี๋ยวเองคอยดูลีลาการจับตะ ก, กวดของข้าก่อนแล้วกัน ในกูจีตอบรับจบก็วางหอกยามลงกรพื้นคว้ากระบองใหญ่แล้วก้มตัวต่ำเดินเข้าไปจ้องหน้ามันกูจีก็เงื้อกระบองจนสุดแขนหมายที่หัวของตะกวดแต่ต้องหยุดชะงักเพราะว่ามีเสียงดังมาจากข้างหลังหยุดเดี๋ยวนี้นะกำลังทำอะไรอ่ะกูจีได้ยินเสียงนั้นก็หันไปดูพอเห็นเจ้าของเสียงซึ่งนั่งเป็นสง่าบนหลังมา้าก็ถึงกับเข้าอ่อน สุดตัวลงนั่งคุกขา่าถวายบังคมเออข้าแต่พระองค์ข้าน้อยกําลังจับตะกรวดไปรยากอ่ะเจ้าจะจับตะกรวดไปทําอะไรเออข้าพระบาทจะเอาตะกรวดตัวนี้ไปปรุงเป็นอาหารเย็นอ่าสําหรับข้าแล้วก็สหายเพื่อนกันชอบกินเหมือนกันปล่อยตะกรวดตัวนัว้นลงคลองไปซะส่วนเจ้าสองคน เย็นเนี่ยเดี๋ยวข้าจะให้คนนํำทหารเย็นมาให้ฮ่องเต้พูดจบประควบม้าเดินตรวจตราต่อไปส่วนกูจีและเย่ไหฮทั้งสองก็ขับไล่ตะกวดตัวนั้นลงในคลองตามคําสั่งฮ่องเต้เวลาต่อมาอีกหนึ่งสัปดาห์ซึ่งเป็นเวลาครบรอบเวรของทหารหนุ่มทั้งคู่ขี้เมาทั้งคู่นี่ยนะขณะที่ทั้งสองยืนสงบนิ่งรักษาการอยู่ก็ได้ยินเสียงน้ําในคลองดังจ่อมแจ่ม ทั้งคู่ก็หันไปดูด้วยความสงสัยเสร็จแล้วพวกเขาก็เห็นสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนนั่นก็คือแสงสีรุง้งเป็นประกายระยิบระยับไปทั้งบริเวณท้องน้ําก่อนที่จะเคลื่อนไหวผ่านหน้าพวกเขาไปสองทหารดุมทนต่อความสวยงามของประกายรุ้งมหัศจรรย์ในน้ํานั้นไม่ไหวก็ต้องเดินตามไปจนกระทั่งถึงเขตที่ประทับของฮองเต้ แสงนั้นก็ยังไม่หยุดเคลื่อนไหวมุ่งตรงไปยังที่ประทับส่วนพระองค์แสงนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าไปหาปลายเท้าห้องเตะที่กําลังประทับอยู่บนเก้าอี้ฝ่ายห้องเตะก็รู้สึกตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นแสงประหลาดนี้พุ่งไปยังตนแล้วก็รู้สึกดีขึ้นมาแสงนั้นดับวูบลงทําให้มองเห็นตัวตะกวดแล้วก็แก้วมนันีวางอยู่สุดปลายเท้าตัวเองเมื่อพระองค์เห็นอย่างนั้นก็นึกขึ้นได้ว่า อันนี้คงจะเป็นตะโกดตัวที่เราเคยช่วยชีวิตวันนี้เขาได้นำแก้วมณีมาให้เราเพื่อตอบแทนบุญคุณละมัง้งพระองค์คิดได้อย่างนั้นก็ตรัสต่อตะโวดบอกว่าขอบใจเจ้ามากนะตะกวดได้ฟังเหมือนกับจะรู้เรื่องมันมองหน้าพระองค์แล้วก็เดินอุ้ยอายออกจากห้องไปก่อนที่เจ้าตะโกดจะพ้นประตูไปพระองค์ได้เหลือไปเห็นเจียไหยแล้วก็กูจีซึ่งเดินตามหลังตะโวดมาพระองค์ก็ตรัสบอกว่า พวกเจ้าคงเห็นแล้วใช่ไหมแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ยังรู้สึกสำนึกบุญคุณเราเป็นมนุษย์แท้ๆ แ, แล้วทำไมไม่ปฏิบัติความดีกันซะเละ่าเมื่อพระองค์กล่าวจบทั้งสองก็ลากลับป้อมยามพางสำนึกได้ว่าต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตัวดีมีศีลธรรมคิดได้อย่างนั้นทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติแต่กรรมดีและอยู่ในศีลในธรรมตลอดจนกระทั่งเป็นที่เรื่องลือ ต่อมาห้องเต้ก็โปรดให้ทั้งสองเลื่อนขึ้นเป็นผู้นำฝ่ายศาสนาแล้วก็ดูแลอบรมสั่งสอนชาวเมืองจนประชาชนในเมืองก็อยู่เย็นเป็นสุขกันทั่วหน้ากันครับต่อไปเรื่องจอมยุทธใบครับจอมยุทธใบปีนั้นสุนเก๋งสิทธิ์เอกของสำนักหัวซานโตเป็นหนุ่มเต็มที่ร่างกายบึกบึนแข็งแรงวอร ย, ยุทธสูงสง่ง ก็คิดจะออกท่องยุทธภพเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็ได้ปรึกษากับแม่ท่านแม่ครับลูกคิดว่าลูกอยากจะลงเขาเพื่อศึกษาต่อท่านแม่จะว่ายังไงครับเออลูกแม่ก็โตแล้วนะก็สมควรจะเป็นอย่างที่เจ้าคิดแต่ แ, แต่ต้องเป็นคนดีมีศีลธรรมนะลูกอย่าไปดังแกผู้ที่อ่อนแอกว่านะนะขอให้ลูกโชคดีนะครับท่านแม่แล้วลูกจะกลับมาครับ สุนเก๋งก็กราบรามารดาแล้วก็อาจารย์จากนั้นก็ชวนเพื่อนอีกสองคนเดินลงจากเขาไปในระหว่างทางก็มีชาวบ้านคนหนึ่งต้อนแกะมาเลี้ยงที่ทุ่งหญ้าแต่เผือหลับอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่ก็ปล่อยปูงแกะให้เลี้หญ้าอยู่ตามสบายสุนเก๋งเห็นอย่างนั้นก็หันมาถามเพื่อนอีกสองคนว่าเฮ้ย hey, ขาคิดอะไรออกนะนี่เราขโมยแกะนี่ไปแกล้มเหล้ากินดีไหม เพื่อนคนหนึ่งก็ตอบรับทันทีเลยดีดีในที่นี้แปวลว่าเลียวดีแม่เจ้านี่ฉลาดหลักแหลมจริงๆอีกคนก็พูดเสริมหมดีข้ามาได้กินเนื้อสัตว์มานานแล้วคงจะอร่อยแน่เลยเจ้าแกะนี่นะถ้าอย่างนั้นก็ลงมือกันเลยละเตี๋แล้วทั้งสามก็โผเข้าหาแกะหนุ่มตัวหนึง่งแต่เจ้าแกะตกใจได้จะส่งเสียงร้องสุนเก่งก็กลัวเจ้าของแกะจะได้ยิน ก็ใช้วรยุทธ์ตัดลิ้นเจ้าแกะจนขาดเหลือแค่โคนลิ้นเจ้าแกะเจ็บปวดเป็นอย่างมากดิ้นไปดิ้นมาซุนเก๋งก็ลงมือปิดชีพมันทันทีอืมหลังจากนั้นทั้งสามก็รับประทานเนื้อแก่แกร้มเล่าพันปีที่ขโมยมาจากสำนักอย่างอริสอร่อยหลายปีต่อมาซุนเก๋งรู้สึกว่าตัวเองผิดปกติไปคือพูดอะไรไม่ออกอ่าก็เลยอ้าปากให้เพื่อนตรวจ ด, ดู เพื่อนๆต่างตกใจเมื่อเห็นลิ้นของสุนเก๋งหดเข้าไปเหมือนกับลิ้นขาดเขาสํานึกได้ว่าเคยตัดลิ้นแกะจนขาดและบัดนี้กรจำได้ตามสนองตัวเขาแล้วทั้งสามก็ชวนกันกลับสํานักทันทีแม่ก็กล่าวเมื่อดางทราบเรื่องราวที่สุนเก๋งไปก่อไว้ที่เจ้าทําน้ํามันเป็นบาปมาหันนะลูกฮะแต่ว่าสุนเก๋งน่ะพูดไม่ได้เพราะไม่มีลิ้นอ่ะ ก็เขียนข้อความใส่กระดาษให้แม่แล้วก็อาจารย์อ่านว่าคุณจะทำยังไงอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าจะต้องไปนั่งบำเพ็ญศีลในถ้มขังขาวเป็นเวลาสามปีติดต่อกันห้ามผิดกฎใดๆทั้งสิน้นเมื่อเขาได้ฟังอย่างนั้นก็มุ่งหน้าสู่ป่าลึกทันทีเมื่อมาถึงถ้าขังข่าวสุนเกลงก็ตั้งใจบาเพ็ญศีลภาวน า, านทาความดีโดยช่วยเหลือสัตว์ป่าเล็กๆให้รอดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อของสัตว์ใหญ่ เขาก็อดทนรักษาสีอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งลิ้นของเขาค่อยๆงอกขึ้นมาทีระนิดเมื่อครบกําหนดสามปีปรากฏว่าซุนเก๋งสามารถพูดได้จึงกลับสํานักนําความดีงามที่ตัวเองได้ฝึกปฏิบัติจนสาเร็จมาชักชวนสิทธิ์น้องสิทธิ์พี่ทั้งหลายปฏิบัติร่วมกันจนสํานักหัวสารได้รับขนานนามว่าสํานักผดุงธรรมในเวลาต่อมาครับผู้ที่เคยทําความชั่วมาก่อนใช่ว่าจะบทหนทางกลับตัว หากว่ามันทำความดีอย่างอดทนไม่ย่อท้อแม้ว่าจะใช้เวลานา น, านเพียงใดก็ย่อมจะได้รับการให้อภัยเสมอนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องผีสิงที่ใจครับที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำห่วงโหมีหลวงจีนเท่ารูปหนึ่งปักกรดนั่งภาวนาบําเพ็ญบุญอยู่หลายวันพอชาวบ้านในละแวกนั้นรู้ข่าวก็นาอาหารมาถวาย แล้วก็กราบไหว้ฟังธรรมจากหลวงจีนเป็นประจำก็มีสองหนุ่มจอมทะเล่นชื่อในเสี่ยวเ อ, อ๋อแล้วก็เจียงหลางแวะเวียนมาเหมือนกันเสี่ยวเอ๋อเป็นคนมีนิสัยกลัวผีเขาคิดว่าในโลกนี้ล้วนมีแต่ผีนะเต็มไปหมดเมื่อพบหลวงจีนก็ถามว่าอาจารย์ครับตอนกลางวันพวกผีทั้งหลายมันไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนกันหมดล่ะคะลับหลวงจีนก็ได้แต่ยิ้ม เขาก็อยู่บ้านเขานี่ยเลยโยมเซียวเอ๋อได้ฟังยังก็เถิบเข้าไปใกล้หลวงจีนมองซ้ายแลขวาวอกแวกวอกแวกแล้วพวกเขาจะมองเห็นเราว่าเปล่าครับหลวงจีนเห็นสิโยมจำทุกอย่างล้วนไม่รอดพ้นสายตาของหมู่ปีศาจไปได้หรอกเซียวเอ๋อก็ถามต่ออีกสองสามประโยคก่อนที่จะลาหลวงจีนกลับไป วันต่อมาหลังจากทั้งสองเล่นน้ําตกที่เชิงเขาเสร็จก็นั่งพักเหนื่อยที่ขวดหินใต้ต้นไม้ใหญ่ก็มีเสียงดึงดังตูมสนัน่นเพียงเท่านั้นและเสียวเอ๋อร์วิ่งจันเลยห่อแนบมาเจียงหลังไม่รู้เรื่องอะไรก็วิ่งตามเหมือนกันหลวงจีนนั่งอ่านคัมภีร์อยู่ร่มไม้ก็มองเห็นไอ้หนุ่มสองคนถอดเสื้อวิ่งร้องลั่นมาแต่ไกลอาจารย์ครับอาจารย์ผีหลอกกับช่วยผมด้วยผีมันหลอก มีอะไร อ, ะอ่ะะเสี่ยวเ อ, อ๋อผมโดนผีหลอกครับน่ากลัวจริงๆโอ้ยมานั่งคุกข่าวตัวสันนะพนมมือหน้าหลวงจีนไหนพาครับไปดูสิเสร็จแล้วเสี่ยวเอ๋อก็นําอาจารย์มาใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ตัวนั่งพักเหนื่อยก่อนหน้าเนี่ยไหนไม่เห็นมีผีสักตัวนี่ไงครับอยู่ตรงเนี้ยก็ชี้มือไปที่กิ่งไม้แห้งขนาดใหญ่นี่มันกิ่งไม้นี่ไม่ใช่ผีที่ไหนหรอกอะ ก็นี่แหละอาจารย์เมื่ออยู่บนต้นไม้มันเป็นผีพอตกดินมันก่อแปลงกลายเป็นกิ่งไม้อาจารย์อย่าเข้าไปใกล้มันนะครับเออผีน่ะมันอยู่ในใจเจ้านั่นแหละหากเจ้าไม่จินตนาการว่ามีผีผีมันก็ไม่มีหากใจเจ้าคิดว่ามีผีมันก็มีผีตลอดไปเมื่อทั้งสองได้ฟังอย่างนั้นก็ตามหลวงจีนกลับไปที่พักแล้วก็ได้ฝึกเกตสมาธิจนสําเร็จ นับแต่นั้นมาเสียวเอ๋อก็ไม่กลัวผีอีกเลยครับเหตุทั้งหลายเกิดจากการปรุงจิตเมื่อมองสรรพสิ่งแล้วผ่านเลยไปโดยไม่ปรุงจิตสรรพสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมเป็นเหมือนวัตถุไร้ค่าหนึ่งชิ้นเท่านั้นเองไม่มีอำนาจอะไรที่จะมาทําให้เรากลัวหรือว่ามาทําอันตรายต่อเราได้เลยครับ